ละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาร ะ, าะ เ, เก้าสิบสี่สภาวะธรรมทีท่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอัพยกฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นพระเหตุตุปั จ, จัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอพยกฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัภยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ95เหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปปัจจัยมีห้าวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวารมมะอสิวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระละถึง นกการะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจใจมีสามวาระณอาหารปัจจัยมีสามวาระณอินทรียปัจจัยมีสามวาระณัชานะปัจจัยมีสามวาระนมัคระปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ ซึงขยายสหสชาตะวาระละถึงสัมยุญตวาระให้พิจารเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้น96สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอภยากฤิตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอพยยากฤตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอพยยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอพยยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเป็นอพยยากฤิตโดยอธิปติปัจจัย มีสามวาระในวาระแรกเป็นทิปติปัจใจทั้งสองในสองวาระเ pues ป็นสหชาตาทิปติปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายารูปซ nah ึ่งเป็นอพยากลิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากลิตโดยอุปาทิเสปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอพยากฤต เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากริดโดยอุปาณิเสยปัจจัยยอ่อ 97. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณะปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนนตระปัจจัยมี1วาระสมนันตระปัจจัยมี1วาระสหชาตะปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญะปัจจัยมี๕วาระ นิเสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิเสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหารปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมขะปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมี่วาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อหกสิบปอุปาทินนทุกะหนึ่งกุสลตึกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจใจเก้าสิบแปด สภาวะธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระ ละถึงปัญหาวาระมีหนึ่งวาระเหมือนกับกุศลในสัรพจยะทุกกะ99สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถื อ, ถอซึ่งเป็นอ ก, กุศลอาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ยสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซึ่งเป็นปอภยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัภยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธิกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัยมหาพูตรูปเกิดขึ้นย่อร้อยหนึ่งเหตุปัจจัยมีห้าวาระอริมณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวณนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีสีวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงณปุเรชาตะปัจจัยมีส <not mira S 2> <su> ีวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอเสวะณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระ ณอาหารปัจจัยมีสองวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจจัยมีสองวาระนมคราปัจจัยมีห้าวาระณสัมยุญตตปัจจัยมีสี่วาระณวิปุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสี่วาระโนวิคต ะ, ะปัจจัยมีสี่วาระย่อพึงขยายสหชาติวาระเป็นต้นให้พิสดาร เหตุปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยร้อสองสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยกฤิเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยกฤิโดยธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออ ร, รมนานะทิปฏิและสหชาตาธิปฏิมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่กลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาตะแลววะวัตถุปุเรชาตะมีสองวาระสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอภยากฤิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กลรรมแอนประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปุเรชาตะปะตะัจจัยมีสองวาระมีเฉพาะอารมณะปุเรชาตคัตนามีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ้อยเหตุปตัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระ สภาวะธรรมทียมกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมูลมีสองวาระสภาวะธรรมเทียมกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมูลก็มีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนาตระปัจใจมีสี่วาระสมณันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาระตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระ อุปนิเสยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหกวาระอาเซวนาปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมี 4, วาระวิปากปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยมี9ก้าวาระอินทลิยะปัจจัยมี 4, วาระชานะปัจจัยมี4วาระมัคราปัจจัยมี4วาระสำยุตตปัจจัยมีสองวาระ วิบุตตปัจจัยมีหกวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนติปัจจัยมีสวาระวิคตาปัจจัยมีสี่วาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่อ มหันตระทุกะและกุสลตึกะจบหกสิบเก้าอุปาทานาทุกะหนึ่งกุสละตะกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจหนึ่ง สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสอง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 ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป <AUDIBLE>, ็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสาเหตุตุปัจจัยมีเก้าวาระ อารมณปัจจัยมีกลาวาระทุกปัจจัยมีปัจใจละกล่าวาระอวิยคตปัจจัยมีกลาวาระยอ่อ 4. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยยอ่อหนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยมีกลาวาระ นภเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงนักกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายชาชาติวาระเป็นต้นให้พิดารณหสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุ ป, ปัจจัยย่อ เจเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระอารมณปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระมีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นมูลมีสามวาระเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงนิสยปัจจัยมีฆ่าวาระอุปานิสยปัจจัยมีฆ่าวาระอาศิวัชปัจจัยมีฆ่าวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระมีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นมูลอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชาเนปปัจจัยมีสามวาระมัคระปัจจัยนิ่ก้าวาระส ม, มยุตตปัจจัยนิ่งก้าวาระอธิปัจจัยนิ่ก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยนี่งเก้าวาระยอ่อ8 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยย่อ 9. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอริยคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาติชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุก ป, ปัจจัยมีปัจจยัยละหนึ่งวาระ เจอุปาทานิยทุกกะหนึ่งปุสละเปกะหนึ่งปฏิจจวาระปฏิยะจตุกนัยเหตุปัจจัยสิสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ11เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณะณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระยอ่อเหมือนกับกุศลในโลกีทุกกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณ์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 ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 13. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากริดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซ <touching> ึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอภพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ14เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหาวาระยอ่อเหมือนกับอัพยากฤะในโลกิยะุูกะ เพืขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารเจสิบเอ็ดอุปาทานะสัมปยุตตทธธุกกะหนึ่งกุสลตึกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจตุกนยัยเหตุปัจใจสิบห้าสภาวธรรมที่วิปยุจจาวุปาทานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจาวุปาทานซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาติชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสิหสภาวะธรรมที่สังประโยอุปปาทานซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมทีม่ส<ท>ัมยุญด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอุปาทาน และทีวิปยุจแจกอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสิเจ็ดเหตุปัจจัยมีหกวาระอาริมณะปัจจัยมีหกวาระทุปปัจจัยมีปัจใจและหกวาระอวิยตปัจจัยมีหกวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณทิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสวาระ นวิปากะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระย่อพึ่งขยายสหชาตาวาระเป็นต้นให้พิจารณาสปสภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุติอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตแจกอุปาทานซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุจจ์อุปาทานและที่วิปยุ์จากอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจจ์อุปาทานซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อสิบแเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมะณะปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธิอุปาทานเป็นมูลมีสามวาระเป็นสหชาตาธิปฏิสภาวธรรมที่วิปยุทธิอุปาทานมีหนึ่งวาระอันันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมานันต ร, ป, ร, ป, รนปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติบัจจัยมีหกวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีหกวาระ อุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสีวาระอาหารปัจจัยมีสีวาระอินทรียปัจจัยมีสีวาระชานะปัจจัยมีสีวาระมรรคปัจจัยมีสีวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตะปัจจัยมีกลวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อยี่สิสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานซึ่งเป็นหนัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานซึ่งเป็นหนัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ าชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเจ็ดิบสองอุปาทานาอุปาทานิยะทุกกะหนึ่งกุศละตะกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนยัยเฮตุปัจจัยี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหัจตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบสอง สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 ย่อข้อความนี้เหมือนกับอกุสลในอุปาทานทุกกะพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณายี่สิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบห้า เท e. ตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเจสสาอุปาทานะอุปาทานะสัมยุญตะทุกะหนึ่งกุศลเดกะหนึ่งปฏิจจวาระปฏิยะจตุกนัย เหตุปัจจัย26สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปัจจุตุอุปาทานซึ่งเป็น อ, อกุศลอาศัยสภาวธรรมทีท่เป็นอุปาทานสัมปัจจุตุอุปาทานและที่สัมปัจจุตุอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ27เเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปติปัจจัยมียก้าวาระละถึงปวิคตะปัจจัยมียกล่าวาระยอ่อข้อความนี้เหมือนกับอกุศนในอุปาทานทุ ก, กะแต่ในที่นี้ทุกกะนี้ต่างกันเพราะเหตุปัจจัยสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระเจสิบสี่ อุปาทานวิปยุตตาอุปาทานิยะทุกกะหนึ่งกุศลเถรกะหนึ่งปฏิจจวาระปฏิยจตุกนัยเหตุปัจจัยยี่สิบปดสภาวธรรมที่วิปยุจจะอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ um, uh, ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อยี่สิบเเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อเหมือนกับกุศลในโลกิยะทุกกะ พึงขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดารสามสิบสภาวธรรมที่วิปยุจแจอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจแจอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุจแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยานเาวธรรมที่วิปยุจแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่วิปยุจแจกอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสามสบเอดเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับอพยากฤตในโลกียทุกะพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารทุกปัจจัยอุปาทานะโคจกะและปุษละติกะจบ สิกิเลสทุกกะหนึ่งกุศลตุกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิภัตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมทีสสท่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกข์ปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อ สภาวธรรมที่เป็นกิเลส ซ, ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลส ซ, ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่สั่หโรคตด้วยอุทจฉาอาศัยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลส ซ, ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส ซ, ซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วิจิกิจฉาและที่สหรโคดุอุทะจักอาศัยขันที่สหรโคด้วิจิกิจฉาและที่โสหรโคดุอุทะจักเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคดุอุทะจักอาศัยขันที่สหโรโคดุอุทะจักเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่โสหรรคดุวิจิขิจฉาอาศัยขันที่โสหรรคดุวิจิขิจฉาและอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่โสหรรคดุทะจะอาศัยขันที่โสหรรคดุทะจะและอาศัยอุทะจ ạ เกิดขึ้นย่อห้านเหตุปัจจัยมีสามวาระหนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอาศัยวณปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึ่งขยายสาหชาตะวาระเป็นต้นให้พิสดาร 6. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็น อ, อกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็น อ, อกุศล โดยเหตุปัจจัยย่อเจเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระในทํากลางมีสามวาระเป็นสหชาตาธิปติอนันตระปัจจัยมีก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีก้าวาระละถึงอุปาณิสียปัจจัยมีเก้าวาระอาศิวะนะปัจจัยมีก้าวาระ ภรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาร ะ, าระจจมกะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นนพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นนพยากฤต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 หปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัย 9. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อสิบ เทตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาร ะ, ะาจจย่ อ, ยอเหมือนกับกุศลในโลกียะทุกกะพึงขยายสาหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารสิอสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศล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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อสิา เทตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับอัพยากฤตในโลกียทุกกะพึงขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย็ดสังกิริธาทุกกะหนึ่งกุศลเต ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะจตุกนัยสิบสี่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาตาวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 15. สิบห้าสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองซึ่งเป็น อ, อกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองซึ่งเป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อซาจาตาวาระและถึงปัญหาวาระ ทุตุปใจมีปัจจใจละหนึ่งวาระ 16. สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระ และถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและหนึ่งวาระเจ็ดิปดิเล ส, สัมปยุตตทุกกะหนึ่งปุศละเฤกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัยจยะจตุ ก, กนัยสิเจสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากยิเลซึ่งเป็นกุศ ล, รรก เ, ล, เ, ศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุป ar uh ัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 18. บสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ19สภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสซึ่งเป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากิเลสซึ่งเป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เห hey, ตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอระมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิยคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อซาจตว า, าวาระละหาวาระทุก ป, ปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระเจ็ดสิบเก้าสังกิเลสังกิเลเจือกะทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจาวาระปัจญะจตุกนายี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นขุศลอาศ <colours S 2> ัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาติชาติวาระละถึงปัจจยวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 21สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบสองเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระย่อ เหมือนกับอกุศลในกิเลสทุกกะพึงขยายชาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยยี่สิบสาสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อาชาชะตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระแปสิ 80. กิเลสะสังกิริธาทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัอยี่สิบสี่ สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นก vale ิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ <music> ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบห้าเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อ เหมือกับอกุศลในกิเลสตธทุกกะพึงขยายสหชาตวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดารทุกปัจจจยปดสิบอดกิเลสกิเลสสัมยุญตตทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัาจยะจตุปนยัย26สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมยุญด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุดด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่จำปยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุดด้วยกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลส สามปยุน์ทีกิเลสและที่สัมปยุน์ที่กิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อยี่สิเจเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรามะณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อเหมือนกับอกุศลในกีเลสะทุกกะพึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระ ให้ปิสดานทุกปัจจัยแปดสิบสองกิเลสะวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกไนยี่สิบแปดสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตปปตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเล ers, สซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ว s, s ิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบเเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อเหมือนกับกุศลในกุโลภิยะทุกกะ พึงขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารสาสิบสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัภยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลส และไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึส่งเป็นอัพยากริตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปยุจจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นนพยากริตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อสามสิบเอ็ดเหตุปัจ<ๆ>ัจมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเจวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับอภยยากฤิตในโลกิยะทุกกะพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยกิเลจข้อจักะและปุสลติกะจบ